ถ้าเกิดความอาฆาตขึ้นในจิตใจเราทำให้เราคิดมุ่งร้ายหมายแก้แค้นต่อบุคคลบางคนซึ่งได้ล่วงเกินเราก่อนควรจะแก้ไขยอย่างไรพุทธดารัสตอบดูก่อนพิกษุ ท, ทั้งหลายความมาฆาตพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้นความอาฆาตเพิ่งเกิดขึ้นในบุคคลใดเพิ่งเจริญกรุณาในบุคคลนั้น ความมานน ค, คดาดพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้นความมาคาดพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงถึงการไม่นึกไม่ใฝ่ใจในบุคคลนั้นความมาคาดพึงเกิดขึ้นในบุคคลใดพึงนึกถึงความเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตอนให้มั่นในบุคคล น, นั้นว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตอนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งจากทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดังนี้พึงระงับความอาคาตในบุคคล น, นั้นด้วยประการฉนี้